ท่านเจริญพรท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันอังคารแรง8ค่ำเดือน6ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสระณะ วันฝังธรรมพวกเรามาวัดกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อฝังในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระปรหมศาสสดาของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระปฏิชิมโอวาทที่ได้ทรงแสดงไว้ก่อนจะเสด็จดับขันปร น, นิพพาน เป็นคำสั่งคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าส่งเตือนพวกเราว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนอ้อมจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในและภายนอก เป็นสังขารทั้งสิ้นคือเป็นของที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราทรัพสมบัติของเราพืช น, นูญหญ้เสด็จมิตรหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีครอบครองอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการภาผาจากกันไป เพราะเป็นของไม่เที่ยมนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงกังวลทรงเป็นหวน่วงเพราะจิตของพวกเรานั้นถูกความหลงครอบงมอยู่ทำให้เราหลงระเริงกับชีวิตโดยไม่คำนึงคิดถึงว่าชีวิตของเรานั้นต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุด เรายังหลงระเริงอยู่กับการหาราบยศสเสริญสุขกันโดยที่ไม่รู้ว่าราบยศสรเสริญสุขนี้หามีคุณมีประโยชน์กับจิตใจเราไหมหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ให้ความสุขความเพลิดเพลินไปชัว่วขณะชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ในตัวของมันเองนั้น ก็สร้างความผูกพันสร้างอุปทานให้เกิดขึ้นกับใจทําให้ใจต้องมีความทุกข์มีความกมังวลมีความห่วงใยแทนที่จะมีความสุขกับสมบัติต่างๆกับกลายเป็นคนที่มีภาระแบกหามภาระที่จะต้องดูแลรักษาภาระที่จะต้อง หามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆภาระที่เกิดจากการที่จะต้องพัดรากจากกันเหล่านี้รวนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขเลยแต่พวกเราเนื่องจากว่ายังขาดแสงสว่างแห่งธรรมคือความรู้ทะลุถึงสภาวะธรรม ถึงธรรมชาติของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวตนไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีใครสามารถควบคุมครอบครองให้อยู่กับตนไปได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีแสงสว่างธรรมแล้วก็จะต้องหลงยึดติด เมื่อหลงยึดติดก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นทุกขเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดติดแล้วก็ต้องมีแต่ความกังวลใจความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจลองสังเกตดูถ้าสิ่งใดที่เราไม่ยึดไม่ติดเราไม่มีความเขี่ยวข่องด้วยสิ่งนั้น จะไม่มีปัญหากับเราแต่ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เราไปมีความผูกพันไปครอบครองว่าเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมาใจของเราก็จะต้องมีความวุ่นวายใจเมื่อสิ่งนั้นมีการแปรเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายจากเราไป ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราจงระลึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยมอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทําให้เราทุกข์อย่าไปถือว่าเป็นของของเราเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราทั้งสิ้นเรามาตัวเปล่าเปล่าแล้วเมื่อเราตายไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าสิ่งที่เราออกมาได้ และสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือบากระบุญเท่านั้นถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปเรามาเกิดเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าถ้าเรามีบาปมากกว่ามีบุญมาเกิดเราก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมีความวุ่นวายใจ มีความเสื่อมมากกว่าความจเจริญดัง น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรา <c oughs> คำนึงว่าชีวิตของเรนั้น <c oughs> เกิดมาเพื่อมาสะสมบุญ <c oughs> เกิดมาเพื่อมาใช้บาป <c oughs> ใช้กรรมเก่าแล้วเมื่อเราได้เข้าใจในหลักนี้แล้ว <c oughs> เราจะได้ไม่มีความหลง อยู่กับการสะสมสิ่งอื่นๆในโลกนี้เราจะพยายามสะสมแต่บุญอย่างเดียวส่วนบาปกรรมเราก็จะไม่สะสมส่วนผลของบาปกรรมที่เราเคยทำไว้ในอนดีตถ้าถึงเวลาที่เขาจะแสดงผลให้เกิดขึ้นกับเราทำให้เราต้องมีความทุกข์มีความ พูดวายใจมีความเศร้าโศกเสียใจเราก็พยายามทำใจไว้อย่าไปเกิดความท้อแท้ในชีวิตอย่าไปเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองผู้หนึ่งผู้ใดอย่าไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจของเราขอให้ถือเสียว่า เป็นวิบากกรรมของเราต่างหากเพราะผู้ที่ไม่มีวิบากกรรมนั้นถึงแม้จะมีใครมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความสร้างปัญหาให้กับตนจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความหุ่นบายใจเพราะใจไม่ไปยึดไปติดสามารถปล่อยวางได้คือไม่ไปปรารถนาไม่ไปต้องการ ให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเราปล่อยให้เขาทำไปตามเรื่องของเขาถ้าเขามีอะไรกับเรามาในอดีตชาติถ้าเป็นส่วนที่ดีเขาก็จะทำความดีกับเราถ้าเป็นส่วนที่ไม่ดีเขาก็จะทำความไม่ดีกับเรา คนในโลกนี้ที่เราเจอจึงมีอยู่หลายแบบด้วยกันคนบางคนเห็นกันก็รู้สึกถูกชะตากันมีความเมตตาต่อกันคนบางคนเจอกันแล้วก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแต่จะมีเรื่องมีปัญหาตับกันทั้งๆที่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ นั่นก็เป็นเพราะผลของบุญของกรรมที่ได้เคยทำมาร่วมกันในอนดีตนั่นเองดังนั้นเมื่อเราไปเจอกับข้อกรรมต่างๆอย่าไปแก้ข้อกรรมด้วยการสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ให้ใช้อุเบกขาทมคือให้วางเฉยให้ปลงเสียเถิดว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จยากทำกรรมอันใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้นเพียงแต่เราทำใจของเราให้เฉยๆให้นิ่งไว้แล้วเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องผ่านไปหมดไปแต่ถ้าเราไปมีปฏิกิริยาต่อโต้ต่ อ, ต, อต้านสร้างเรื่องสร้างราวเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องมันก็จะยืดจะยาวขึ้นไป และอาจจะต้องต่อไปถึงพบหน้าชาติหน้าอีกอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเราจึงต้องใช้ขันติธรรมใช้ความอดทนใช้อุเบกขาอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราฝึกทำจิตให้สงบฝึกนั่งสมาธิฝึกไหว้ฝึกไหว้วพระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เหมือนกับเราดูแลรักษาร่างกายเราต้องออกไปวิ่งออกไปออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงฉันใดเราก็ต้องฝึกออกกําลังกายให้กับจิตใจของเรากําลังกายกาลังของจิตใจก็คือความสามารถอยู่นิ่งนิ่งอยู่เฉยเฉได้เวลามีอะไรมากระทบก็เป็นเหมือนกับก้อนหินไม่เป็นเหมือนกับปุยนุ่น ปุยนู่นนี่เวลาถูกลมพัดแผ่วมาเบาๆก็จะปลิวไปตามกระแสลมแต่ถ้าเป็นก้อนหินถึงแม้จะมีพายุพัดมาแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถไปเขย่าไปเคลื่อนก้อนหินก้อนนั้นได้เพราะก้อนหินนั้นมีความหนักแน่นนั่นเองใจของพวกเรานั้นเราก็สามารถทำให้มีความหนักแน่น ทำให้มีความแข็งแกร่งได้ด้วยการฝึกทําจิตทําภาวนาคือนั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญวิปัสสนาเพราะถ้าเราทําไปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตของเราจะมีความแกร่งมีความแข็งมีความกล้าหาญที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เผชิญแบบของพระไม่ได้เผชิญแบบ ของมารดังที่สุภาษิตที่เราได้ยินว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคือเราจะแพ้ด้วยการนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ใครจะพูดใครจะดา่าใครจะกันแป้งอย่างไรเราจะไม่แยแสไม่สนใจถ้าหลบได้หลีกได้เราก็หลบไปหลีกไปถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ ก็ทําใจให้นิ่งเฉยๆไว้ไม่ช้าก็เร็วเรื่องราวต่างๆก็จะผ่านไปได้ทําใจของเราให้เหมือนกับต้นเสาไม่มีใครไปทะเลาะกับต้นเสาหรอกไปยืนไปด่าต้นเสาอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เบื่อเองเดี๋ยวก็เหนื่อยเองเดี๋ยวก็เดินหนีไปเองแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแต่ถ้าไปมีการตอบโต้กันเหมือนการ เหมือนกับการปรบมือถ้าปรบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังถ้าปรบมือสองข้างมันก็ดังถ้าเขาด่าเราเราก็ด่าเขากลับไปเดี๋ยวเขาก็ทุกเราเราก็ตีเขาเดี๋ยวเขาก็ฟันเราเราก็แทงเขาเดี๋ยวก็ลงไปนอนในโรงหนึ่งคนหนึ่ีคนหนึ่งก็ไปอยู่ในคุกในตารางนี่เป็นวิถีทางของมาร นี่เขาเรียกว่าชนะแบบมานไปแบบเป็นแบบนั้นคนที่ชนะแบบมานั้นเป็นแต่แพ้ด้วยกันทั้งคู่เพราะเสียหายด้วยกันทั้งคู่แต่คนที่ชนะแบบพระนี้ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่คนที่หาเรื่องเมื่อไม่มีคนที่รับเรื่องเขาก็ยุติไปเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ระ ง, งับผ่านไปอย่างเรียบร้อยอย่างสงบด้าดีไม่ดี กลับกลายมาเป็นเม็ดกันก็ได้เพราะเมื่อเป็นศัตรูกันไม่ได้เมื่อยังต้องอยู่ด้วยกันก็เป็นเม็ดกันเสียไม่ดีกว่าหรือเช่นเราแทนที่จะโกรธเขาเรามีอะไรเห็นเขาเดือดร้อนพอช่วยเหลือเขาได้เราก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับเขาไปทั้งๆที่เขาเป็นคนที่พยายามที่จะทำร้ายเราพยายามที่จะทำให้เรา เกิดความเสียหายด้วยวิธีต่างๆนานาแต่เราเป็นสิทธิ์ของตถาคตเรามาวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอเรามาฟังเทศฟฟังธรรมเรามาฝึกปฏิบัติจิตใจให้สงบให้นิ่งให้มีความหนักแน่นมีความกล้าหาญมีความเมตตามีความกรุณาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับใคร ถึงแม้เขาจะโหดร้ายชาลุดกับเราเพียงไรถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปอย่าไปเสียดายเรื่องชีวิตเพราะชีวิตของคนเรานั้นทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปชีวิตของเรานั้นมีไว้เพื่อใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใช้เกิดโทษอย่างที่พระเจ้าทรง ทรงแสดงในพระประชมะโอวาาว่าจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือเราต้องคำนึงเสมอว่าชีวิตของเรานั้นจะหมดไปเมื่อไหร่เวลาใดไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่า หรือคืนนี้เรานอนหลับไปแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ตื่นขึ้นมาเลยก็เป็นได้หรือเราอาจจะอยู่ต่อไปอีกห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีก็เป็นได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่สิ่งที่เราควรที่จะคำนึงก็คือเมื่อเราอยู่เราจะอยู่อย่างไรถ้าเราอยู่แล้วเป็นมาร เป็นเปลตเป็นยักษ์อย่างนี้อย่าอยู่ไปดีกว่าอยู่ไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เพราะอยู่แบบเกิดทำให้เกิดโทษกับตัวเราอยู่ต้องอยู่แบบเกิดทำประโยชน์เช่นอยังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ให้มีเมตตาให้มีขันติให้มีอุบเบกขาเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ให้มีสติประคับประคองจิตใจ ถ้าใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ได้ก็แก้ไขไปถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับของเรานั่นเองเราอาจจะบังคับบางสิ่งบางอย่างได้ในบางเวลาแต่เราจะไม่สามารถไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ทุกเวลาแม้แต่จิตใจของเราเรายังควบคุมไม่ได้เลยหรือร่างกายของเราเราก็ควบคุมไม่ได้เว it, ลาเราไม่อยากให้ร่างกายเราแก่มันก็ยังแก่จนได้ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยจนได้ไม่อยากให้มันตายมันก็ตายจนได้ไม่อยากให้โกรธมันก็โกรธไม่มมอยากให้โรคมันก็โรค ไม่อยากให้หลงมันก็หลงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่อยู่ภายใต้อำนาจความควบคุมของเรานั่นเองบางสิ่งบางอย่างเราก็จะไม่มีไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมเขาได้เลยเช่นร่างกายนี้เราควบคุมไม่ได้เลยเรื่องความแก่ความเจ็บความตายส่วนจิตใจเรื่องของความโลภความโกรธความหลงนี้เราทาได้ มีคนทำมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทำได้ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมใจของเราเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราในแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาในเบื้องต้นเราจะต้องเสียสละต้องสละสิ่งต่างๆที่เรามี เหลือใช้เหลือกินเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นกับการดำรงชีพของเรายาเก็บสะสมไว้ให้มันหนักอกหนักใจเพราะถ้ามีอะไร mm hmm. ก็ต้องมีความกังวลที่จะต้องคอยดูแลรักษานั่นเองแต่ถ้าเราสละไปให้เป็นทานกับผู้ที่เขาเดือดร้อนเราก็จะได้ความสุขได้ความเบาใจหมดภาระ ไปอย่างหนึ่งไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งของนั้นๆถ้าเราสละได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็ยิ่งจะมีความสงบยิ่งมีความสุขมากเพิ่มขึ้นไปจิตของเราก็จะมีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นไปถ้าเราฝึกฝนการเสียสละเป็นอย่างจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไปแล้วต่อไปเราจะสูญเสียอะไร เราจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยใครจะมาเอาอะไรไปไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ดีหรือคนที่เรารักก็ดีหรือแม้แต่ชีวิตของเราก็ดีเราจะไม่มีความรู้สึกเศร้า อ, อกเศร้าใจไม่มีความหวาดวิตกไม่มีความกลัวเพราะเราได้ฝึกการให้การเสียสละมา จนเราเห็นคนของการเสียสละแล้วเพราะทุกครั้งที่เราเสียสละนั้นจิตของเราจะสงบจิตของเราจะนิ่งจิตของเราจะมีความสุขนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ไม่คิดที่อยากจะไปเบียดเบียนกับใคร <c oughs> เวลาที่เราต้องการอะไรดําเนินชีวิตของเราไป เราจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นเป็นโทษทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเวลาเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นใจของเราก็จะต้องมีความวุ่นวายมีความกังวลมีความไม่สบายใจเกรงว่าจะต้องได้รับผลตอบแทน เมื่อเราทำเขาถ้าเราเผลอเขาก็คงจะมาทำเรานี่จะเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราไม่ไปทำใครไม่ไปกันแกล้งใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปสร้างความเดือดเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครแล้วเราจะมีความรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจทำอะไรไปที่ไหนก็จะไม่มีความหวาดระแวงนี่ก็จะเป็น การกระทำที่ทำให้เรานั้นมีศีลขึ้นมานั่นเองเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆแล้วเมื่อเราเห็นคุณของการเสียสละเห็นคุณของการไม่เบียดเบียนเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนจากการเสียสละคือจิตของเราจะมีความสงบมีความสุขเราจะรู้แล้วว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตที่สงบต่างหาไม่ได้อยู่ที่การได้ทรัพย์สมบัติได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการมาเพราะสิ่งต่างๆเราก็ได้มามากมายแล้วแต่เราก็ยังไม่เคยเจอความสุขแบบนี้สักทีแต่เมื่อเราได้เสียสละเราได้ละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจิตของเราก็มีความสงบมีความสุข จึงทําให้เราอยากจะทําจิตของเราให้สงบมากขึ้นจึงทําให้เราคิดที่อยากจะแสวงหาที่สงบปลีกวิเวกออกจากสังคมเพื่อที่จะสร้างความสงบให้มีมากขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปคือให้มีอยู่ตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงนี่เป็นสิ่งที่ทําได้ถ้าเราปลีกวิเวกออกปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรม ตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนหลับไปทำแต่กิตสองชนิดนี้คือนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมทำจิตให้สงบและเจริญปัญญาวิปัสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าระยึดไปติดไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เป็นสมบัติของผู้ใดทั้งสิน้นถ้าเรา พิจารณาได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจนเห็นแจ้งชัดอยู่ในใจของเราใจของเราก็จะปล่อยวางสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นใจก็จะไม่ยึดไม่ติดพรารู้ว่าถ้าไปยึดไปติดเวลาเกิดการพลาดลาดจากกันก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองไม่มีใครอยากจะทุกข์ เมื่อรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นกับสังขารทั้งหลายเมื่อรู้ว่าเหตุเป็นอยู่ที่การยึดติดก็ต้องปล่อยวางจะปล่อยวางได้ก็ต้องเห็นในในความเป็นของไม่เที่ยมของสังขาร น, น, น, นั้นเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเห็นว่าไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเรานั่นเอง ได้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะมีความสุขเมื่อก่อนนี้คิดว่าคนเราจะมีความสุขเพราะมีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีบุคคลมาเป็นบริษัทธบริวารมาเป็นเพื่อนมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วคิดว่าจะมีความสุข แต่หารู้ไม่ว่าร้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสินเพราะเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ต้องมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงใยและก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อต้องมีการพัดผาาจากสิ่งเหล่านั้นไปแต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยจึงทาให้เห็นได้ว่าความสุขของคนเหล่านั้น ไม่ได้อยู่ที่การมีอะไรมากมายกายกองความสุขอยู่ที่การไม่มีมากกว่ายิ่งไม่มีอะไรได้เลยยิ่งมีความสุขอ ย, สอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จดับขานตะลิมิภานแล้วกลับมีความสุขยิ่งกว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ยังต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกายถึงแม้จะไม่ยืดไม่ติด แต่ร่างกายนั้นก็ยังเป็นภาระภาระที่จะต้องเลี้ยงดูภาระที่จะต้องรักษาเช่นต้องอาบน้ำอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้อยู่ให้ยา ก, กินต้องรับประทานอาหารทุกวันต้องออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอท่านถึงแสดงว่าขันนี้เป็นภาระาหนักอย่างยิ่งภาระฮเวัาจากขันทา ขัหนห้านั้นเป็นภาระเมื่ อ, อปล่อยวางขันได้แล้วจิตก็จะสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปเป็นบรมมาสุขขังเป็นความสุขที่เลิศที่สุดนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้เข้าสู่สภาพนั้นๆคือความสุข หลังจากที่ได้ละสังขารได้ดับขันเสเสเดศปรินิพานไปแต่ก่อนที่จะไปก็ทรงมีความห่วงญยในพวกเราที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อยู่พวกเรายังมองเห็นกับตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเรายังเห็นว่าการมีชีวิตอยู่นี้เป็นสิ่งที่วิเศษต้องอยู่ไปนา น, าน แต่หารู้ไหมว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกทางใจถ้ายังไม่ได้สามารถชําระความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้วต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะมีความรู้สึกว่าไม่พออยู่ดียังอยากจะมีเพิ่มขึ้นไปมากๆ เพราะนี่เป็นธรรมชาติของความอยากของความโลภที่มีอยู่ในใจถ้ามีความโลภความอยากแล้วต่อให้มีมากมายก่ายกองเพียงไรก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องอยู่ที่คำว่าพอถ้ายังไม่รู้จักคำว่าพอก็จะไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างความพอให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เสียสละให้ทานให้ละเว้นจากการเบียเดเบียนผู้อื่นให้บาเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็ให้เจริญวิปัสสนาให้พิจารณาดูร่างกายของเรา ว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลมีสิ่งสโปรกที่จะต้องขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายทั้งของเราเองและของผู้อื่นส่วนหนึ่งของการที่เรามีความผูกพันกับร่างกายของผู้อื่น ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราไม่เห็นความเป็นปฏิกุลของร่างกายนั่นเองจึงทำให้เรามีความหลงมีความรักร่างกายของผู้อื่นอยากจะได้เขามาเป็นสมบัติครอบครองแล้วก็เมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาทุกกับเขาทุกด้วยความห่วงทุกด้วยความหวง นี่เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขแต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติธรรมนั่นเองเราจึงต้องตกหลุมทางนนี้ไปแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่าเสมอเราจะเริ่มเห็นได้ว่าชีวิตคู่กับชีวิตเดียวนั้นสู้กันไปได้คืออยู่คนเดียวนั้นดีกว่าอยู่สองคน อยู่สองคนแล้วมันวุ่นวายจะต้องมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะเบาแวงขัดอกขัดใจกันอยูอย่่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวมีใจของตนเองเป็นของตนเองร้อเซไม่ต้องแบ่งไปให้ผู้ผู้หนึ่งผู้ดใดคิดอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรแต่ถ้าอยู่สองคนเวลาจะทำอะไร ก็ต้องคิดก่อนต้องขออนุญาตก่อนต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่เห็นด้วยก็ทำไม่ได้ถ้าเห็นด้วยถึงจะทำได้